ฟังกันทุกเดือนเหมือนใช่ไหมเดือนกี่ครั้ง อ, อันนี้สงูง <c oughs> การฟังทำหนึ่งจะได้ยินในฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินในฟังสองสิ่งที่เคยได้ยินในฟังแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดสบรรเทาความสงสัยได้สทํทำความเห็นให้ถูกต้องได้แต่ว่าการฟังไม่ทำความเข้าใจว่าเราฟังเพื่อจะนำไปประพิปฏิบัติ ถ้าจะฟังเพื่อเอาความรู้เฉยๆเอาหนังสือมาดูมาท่องจำบกหลักธรรมมันมีอยู่หลักธรรมแรกๆก็คืออยู่ในหนังสือพื้นถามก็คือหนังสือนวโกวัอมหมวดธรรมไม่มีหมวดธรรมไปตั้งแต่หมวดหนึ่ง ไม่ใชหมดสองหมวดสองหมวดสามหมดสี่หมวดห้าหมดหหมดเจนี่คือหมวด8หมดเกหมดสิบนี่ม่เรียงไปจะดึงหมดที่สองก็มีทำทำคุ้มครองโลกทําคุ้มครองโลกคำว่าโลกในที่นี้หมายถึงหมูสัตว์ โลกคือมูสัตตั้งสัตมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานรวมกันเรียกว่าโลกโลกแปลว่ามูสัตทีนี้ก็รมคุ้มคลองโลกมันจะมีอยู่สองหลงคือฮีเลความละอายแก่ใจโอตปะความขึ้นครัวละอายแก่ใจละอายอะไรต้องทำความเข้าใจละอายต่อบาป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 ให้ทําวาเข้าใจที่นี่ศีลก็เหมือนการศีลอย่าพ ไ, ไปเข้าใจว่าศีลเ น, นี่ยอยู่ในตัวหนังสือศีลอยู่ในตัวหนังสือศีลอยู่ในตู้พระไตรปิฎกจริงๆแล้วศีลไม่อยู่กับพวกเรานอที่ท่านให้รักษาศีนแท้ก็คือดวงคิดดวงใจของพวกเราออื คือดวงขีดดวงใจคือดวงนู่คือตัวผูน้นู่นี่แหละคือสินเมื่อสินเมื่อพวกเรามารักษาให้มันให้มันเป็นปกติรักษาสินนี้เป็นปกติแหละจิตใจมันจะเป็นธรรมธรรมกับสินก็นอันเดียวกันแหละจิตใจเนี่ยจะเป็นธรรมจิตใจนี่จะเป็นสินจิตใจเนี่ยเป็นธรรมที่นี่พี่พระพุทธเจ้ามาสอนในพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติอืม ตั้งต้นเป็นการให้ทานการรักษาศสินการเจริญเมตตาภาวนาไหว้พระสวดมนต์รวมพลังบุญกุศลบุญคือความสุกกายสบายใจกุศลคือนคือความสว่างของจิตของใจคือสติคือปัญญาที่ท่านท่านบอกให้กุศลนี่แหละเมื่อรวมมาสร้างอสมบุญกุศลให้มันมากเข้ามากเข้ามาเข้า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 การทำมันก็อยู่ในดวงจิต ด, ดวงใจของพวกเราเนี่ทำเพราะฉะนั้นจะว่ามาสร้างซึ่งบุญกุศลนี่คือบรารมีคือกำลังสติปัญญาทําแก่กล้าเข้าไปเพื่อจะตามเข้าไปหาตนขคงตนเห้เจอหัมาลู่หัเพลนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าว่าผู้ใดเห็นตนผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นให้เราถ ATA คดทำที่พวกเราจะเห็นไม่ใช่มาอยู่ข้างนอกเราอยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่ที่อยู่ในดวงจิต ด, ดวงใจของพวกเรานี่นยนี่คือทำขึ้นดวงจิตดใจแต่เดี๋ยวนี้มันไว่าเป็นตนของตนจีตมันย้อนออกมาภายของภายนอกนะมายึดเอาของภายนอกนี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลของภายนอกอยู่ตรงไหน ของภายนอกก็คื อ, อก้อนสกุลละกายของพวกเราเนี่ยนั่งอยู่นี่รวมกันดีก้อนสกุลละกายเ น, ยนี่นี่เน่ยมันนอกนอกอาจากทิ่งในนอกไปจากกิ จ, จกกิตใจนั่นแหละดวงจิตดว ง, งใจดวงจิตดวงใจแ ท, ท้ๆทำแท้ๆดวงจิตดวงใจแทนะ้ๆเน่ยของจริงแทนมันไม่มีรูปร่างมันไม่เป็นตัวเป็นตนนี่ส่วนที่เป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างอันนี้นี่นเรียกว่ามีกธาตุธาตุทั้งสี่ ธาตุทั้งสี่ขันทั้งหรวมกันอยู่ในก้อนสกลกายนี่หรือจะเรียกอีกอย่างนึงก็ที่พระพุทธเจ้ามาบัญญัติทำคําสอนของท่านบัญญัติออกจากก้อนสกลกายของท่านหรือก้อนสกุลกายของพวกเราตั้งให้ชื่อว่าพระพระสูตรสองหมื อ, อม่นหนึ่งพันพุทธมรรคขันพระวินัยก็สองหมนหนงพันพุทธมรรคขัน พระปรมตทิตย์สี่หมื่นสองพันพุทธมรรครวมเป็นแปดหมื่นสี่พันพุทธมรรคก็รวมอยู่ที่ร่างกายของพวกเราเนี่ยหัวก้อนตะกอนและกายของพวกเราอันนี้ล่ะนี่นตู้พระไตรปิฎกอยู่ที่นี่ย้ายทรงไปข้างนอกศาสนาคือเหมือนกันศ า, าสานาศาสนาธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราเนี่ย ให้รู้จักตนหนึ่งแล้วก็ให้รู้จักบิดามารดาหนึ่งเมื่อเห็นตนและเห็นบิดามารดาเมื่อเห็นตนเห็นบิดามารดามัน ก, ก็จะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มัน ก, ก็จะมารวมอยู่ที่เดียวกันถ้ามันรวมก็เป็นเป็นหนึ่งเดียวกันได้แล้วในที่นี่ตนของตนตนของตนก็อยู่ที่นี่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 ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะลื้อสัตว์ขนสัตว์เข้าสู่พระโริณิพันให้หมดนั่นนะท่านพดันสร้างบารมีจนมาตัดเป็นพระพุทธเจ้ายังมาสอนพวกพวกเราที่จะพระพุทธเจ้ามาสอนในทงสอนแล้วก็มนุษยโลกพ ม, มโลกพวกท่านผมย ม, มโลกบุญลงไปทางอเวกีมหานรกบอกย ม, มโลก มนุษย์สโลกพ ม, มโลกเทวโลกย ม, มโลกถ้ารู้ได้หมดและก็สอนได้ทั้งสัตว์ทั้งบุคคลมีแต่จิตมีแต่ดวงจิตลว้ลวนๆท่านก็สอนได้รู้ได้เห็นได้เพราะท่านมียานความรู้แต่ของพวกเราไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมามาลู้ตนของตนหาหทางทิ้งกายนี่ให้พ้นจาก จุดในการเกิดการเกลี่ยการเก็บ ก, กันไต้จบแล้วของพวกเราไม่มากถึงขนาดนะั้นเพราะอะไรเพราะเราพวกเราไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า อ, อเพราะจะว่าที่ท่านปฏิบัติที่จิตใจของอพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายอท่านเห็นอะไรทีนี่ท่านเห็นของจริงของจริงคืออะไรของจริงคือทุกข์แล้วพวกเรามีไหมทุกข์มีนี่นี่ พราะฉนั้นท่านจะให้ให้มาเห็นทุกนี่แหละประโยคแรกมันทุกหนึ่งเมื่อมาเห็นทุกมารู้ทุกเห็นทุกมัจจะสาวเขาไปหาอทุกท่านเมื่อเกิดขึ้นมันมาจากที่ไหนมันก็มาจากเหตุเหตุจะเกิดทุกมันอยู่ที่ไหนที่ย้อนเข้าไปเหตเหตุที่เกิดทุกเกิดตั้งต้นไปแต่แต่ชาที่ปีทุกขานี่ยชราปีทุกขาพญาติปีทุกขามาลน้ำปีทุกขัง สโสกปิลิเทวทุกขโทมันนัตสุปยาสาปีทุกขาอพิเยหีสัพยโยโคทุกโขปิเยหีวิปยาโยโคทุกโขยัมปิชังนราพติตัมปีทุก ข, ยย ข, กขั ง, ขงสังคิเตนะปัจจุพธานนการธาทุกขานั่นอีดังโคปนาภีขเวลุกขาสมุดาโยอริยสัจจังมันเป็นตัวสมุทัยเป็นเหตุในทุกเกิดนั่นถ้าเกิดขึ้นมาแล้วแก่ก็เป็นเหตุในทุกเกิด เก็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเหตุทุกเกิดแตกตายทำลายกันก็เป็นเหตุทุกเกิดอย่างว่าเป็นตัวสมุทรไทยเป็นเหตุทุกเกิดเมื่อจิตมาเห็นเหตุให้ทุกเกิดแล้วก็เห็นทุกเห็นทุกชัดเจนเต็มเต็มทีอย่างพระพุทธเจ้าท่านเห็นพระพุทธเจ้าเห็นทุกหรอยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ท่านเห็นเต็มที่ เมื่อเห็นเห็นทุกเต็มที่ที่นึ ก, กเห็นสุขตรงกันข้ามเหมือนกันเท่ากันช่วงที่พระพุทธเจ้าได้ตัสรู่ใหม่ๆเนี่ยเยบย์ิมุติสุสเยบย์ิมุติสุขอยู่นั่งอยู่เจดวันนั่งเจ็ดวันแล้วก็มายืนต่ออีกเจดวันมาเดินต่ออีกเจ็ดวันคุณสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดวันคุไม่ได้สั้นอะไร นี่จะสุกล้วนๆเมื่อหลังจากนั้นเมื่อผ่านหลังจากนนั้นจนท่านพาลเข้าสู่พระรพุิธลีพันทุกจะไม่มีอยู่ในดวงจิตดวงใจของท่านเพราะว่าทุกตัวเวทนาคือขันนี่เวทนาขันคือทุกทั้งสูขทั้งทุกเวทนาคือความเสเื่อของจิตดวงใจเวทนาไม่มีอยู่ในจิตในดวงจิตดวงใจของท่าน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 พระพุทธองค์ของพระพุทธเจ้าแทบไม่มีอะไรปาฏิจักบนดินทั้งหมดผ่านพ้นไปแล้วมันมันพ้นไปมันเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไม่คายความกำหนัดจริงดีเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายรูปเบื่อหน่ายเวทนาเบื่อหน่ายสัญญาเบื่อหน่ายสังขารเบื่อหน่ายวิญญาณเบื่อหน่ายตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมันเบื่อหน่ายมันจิตใจมันก็ม่นก็คายความกำหนัดจริงดี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 คือจิตใจน่มันเข้ากันไม่ได้ทำไมมันจะเข้ามาได้กับเพราะมันลู้ที่มันเข้ากันได้พวกเราดิเพราะมันไม่ลู้ลู้อยู่แต่มันลู้ไม่จริงที่ลู้ม่จริงท่านให้ชื่อว่าตัววิชาเนี่ยตัววิชามันหลอกให้พวกเราหลอกให้มาเกิดหลอกให้มาแก่หลอกมาเก็บหลอกมาตายหลอกมาหลอกหลอกหลอกให้มากหลอกให้หัวเลาะหลอกให้ร่องให้หลอกให้ล่าเริงบันเทิง หลอให้ดีใจหลอกให้เสียใจสารพัดอย่างมันเกิดๆดระดับอยู่ทุกขณะาจิตแต่จิตใจของเราอันเดิมแท้ๆมันอยู่ลึกๆุนมันสู้เขาไม่ได้มันเพราะนั้นจงให้มาสร้างมาปฏิบัติมาสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาให้มันรู้ให้มันรู้ท่านว่าให้มาปฏิบัติทำจิตใจให้มาเป็นหนึ่งทำจิตใจให้ให้สงบเข้าไปให้มาเป็นหนึ่งให้จิต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 เป็นฆราวาสญาติโยมจะรู้ได้เห็นได้มไหมทําไม่ต้องสงสัยหรอกขอให้ตั้งใจปฏิบัติเมือ่อลงมือปฏิบัติแล้วใหญ่แล้วก็อย่าไปกลัวตายถ้ากลัวตายแล้วมันจะไม่รู้มันจะไม่เห็นต้องสละชีวิตฝึกขมันตายก่อนฝึกขมันตายก่อนยังจังแต่ยังไม่เป็นโลกเป็นภัยอะไรเลยยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยนั่ง นั่งดูมันนั่งเห็นมันคือมีรูปร่างกายนั่งดูนั่งดูเดินดูหรือจะยืนดูก็ได้กันหมดให้ทํามันเกิดขึ้นทําทําคืออะไรที่นี่ทำก็คือทุกข์แหละอย่ามองอย่ามองข้ามทุกข์ตัวทุกข์เลยเป็นของดีตัวทุกข์ตัวนี้แหละเป็นเป็นของจริงอันวิเศษเพราะฉะนั้นท่านจะให้ชื่อให้นามว่าอริยสัจจะทำทั้งสีคือทุกข์หนึ่งสมุทัยเห็นหทุกข์เกิดหนึ่ง นิโรธคือความดับทุกหนึ่งมรคคือข้อปฏิบัติในถึงความดับทุกหนึ่งนั่นนสามนี่แหละทุกสมุทัยนิโรธสามอย่างมันเป็นมรคมันเป็นหนทางเข้าไปดับทุกให้มันทุกมากๆถ้าผู้ใดเห็นทุก <Okay. S 1> เห็นโทษเหมือนกับไฟไม่สีสาอยู่ตลอดเวลาหรือเหมือนกองจักรพันสีสาพวกตัวเองอยู่ตลอดวพวกคนนั่นแหะจะพวกผ่านผ่านพ้นไปได้ผ่านเร็วที่สุดไอ้ให้มันรู้เต็มทีม เมื่อมันรู้เต็มที่เลยมันก็จะวางเต็มที่ของมันแหะเหมือนกับเราไปเอาไปเหยียบไฟไปเหยียบไฟหรือไปจับไฟเมื่อมันรอดเมื่อมันรู้ว่าเรามันจะปองของมันเองวางของมันเองนี่คือเหมือนกันอันนี้มันไม่รู้กิเลสมันไม่ให้ทํำปกมันปิดอะไรมันปิดปิดไม่ให้ทําให้ทุกเกิดขึ้นก็คืออริยบทการยืนเดินนั่งนอนนี่สี่อย่างนี้ปิดอันนี้นก็ ถ้าเป็นมนุษย์เราก็ปัจจัยทั้งสี่มีผ้าหนึ่งผ้าหนึ่งปิดอาหารการบริโภคนี่ปิดที่อยู่อาศัยนี่ปิดยาบาบัดโรคอี่นปิดแปรรอย่างนี้ปิดปิดไม่ทำเกิดขึ้นทำคือไรทำคือทุกข์นะเมื่อมาทุกข์มากๆเลยจิตมันมะจะขยับเข้าไปว่ะมาทุกข์มากๆไมรอนม่ไหัหาที่ปองที่วางไม่ได้ ตัวทุกตัวเก็บตัวปวดตัโทุกนี่มันมีตนมีตัวไหมมันเป็นตนเป็นตัวไหมหรือมันไม่มีนี่ท่านให้ขบอบให้คิดให้วิจัยวิจารณ์อย่าไปหลบอย่าไปกลัวตายถึงกลัวแล้วจิตใจแท้แทนไม่ได้ตายจิตใจไม่เคยตายจิตใจไม่เคยแต ก, กจิตใจไม่เคยดับมีแต่มาหลงมาเกิดเมื่อมาเกิดเมื่อมาเอาบัตรถูกของภายนอกคือร่างกายร่างกาย แรกๆที่พวกเรมมาเกิดครัง้งแรกเขาไปตีทสทีในคันบันดาเลยไม่มีอะไรมีแต่งวงขีดล้วนๆนะอยังไม่มีอะไรไปเอาสมบัติจากบิดามารดาสมบัติของบิดาก็คือธาตุดินธาตุดินอยู่ตรงไหนธาตุน้ำอยู่ตรงไหนธาตุดินก็มีผมขนเล็บฟันหนังเยื่อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตะปอดเสนอสยเสใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่านี่คือธาตุดินเป็นสมบัติของบิดา เป็นมูลมรดกของบรนออกของบิดาสมบัติของมันดามีน้ำดีน้ำเสลน้ำน้องน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำข้นน้ำลายน้ำมูดน้ำขี้ข้อนน้ำมูดนี่เป็นสมบัติของมัรดาที่นี่ธาตุไฟก็ให้ความอุ่นให้ธาตุผสมคีกันเพื่อตั้งอยู่รอดชั่วขณะๆเท่านั้นธาตุไฟกัไฟยังกายให้อบอุ่นไฟยังกายให้สุดดมไฟยังกายกวนกระไวไฟเผาอาหารให้ย่อยนี่คือธาตุไฟธาตุลม ลมพัดขึ้นบางบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปถึงศี่สะลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเ ข, เข้าออกนรวมกันแล้วมีมีของสี่อย่างอยู่ยในร่างกายเราหรืออยู่ในโลกหมดทั้งโลกเนี่ยมีของสี่อย่างเท่านั้นนอกนัานสมมุติเรียกเสีดอกอที่อาคารที่เรานั่งเนี่ยเนื้อท่าดินรวมกันอ ย, อยู่ในอาคารหลังนี่มันรวมกับพอมหมดทั้งสี่ท่าอยู่ด้วยกัน มีทั้งดินทั้งน้าทั้งไฟทั้งลมไฟก็ให้ความอบอุ่นลมไอซิพัดไฟภระนาให้ให้มันตั้งอยู่ได้สรุปแ ล, วล้กวก้อนสกุลรกายของพวกเรานี่ถ้าเข้าไปถึงความจริงที่จริงปรไปสู่ธาตปลายทางเร็วมันไม่เป็นของใครดินมันเป็นของใครเป็นของกลางของมีประจําโลกอยู่อย่างนี้ที่นี่ถ้าจะสมมติให้มีเจ้าของจริงๆล่ะธาตุดินเนี่ยเป็นสมบัติของบิดา ธาตุน้าครบเป็นสมบัติของบรดาดาจะถามว่าของพวกเราอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่มีเดน่นใส่สมบัติของบิดามัรดาเพราะฉะนั้นผู้ใส่เป็นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนเขงตนจนนําตนเขาตนให้ผ่านพ้อนอันตรายไปได้อันตรายคืออะไรอันตรายคื อ, อพ้อนจากความเกิดความแก่ความเ ก, ก, ก็บความใจก็พราะเอาสมบัติของบิดาบรรดาเนี่ยมามาปฏิบัติมาใส่ให้มันเป็นประโยชน์ ที่นี่ที่พวกเราอยู่ในปฏิบัติหาทรัพยาสมบัติมีมากมีน้อยเอาเอามาเยี่ยวยารักษาร่างกายเพื่ออยู่รอดชั่วขนาขณะเท่านั้นเมือ่อมีมากมีน้อยเมื่อหมดลมหายใจเมื่ออะไระหมดสิทธิทันทีแล้วก็ตกเป็นของพวกที่อยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นท่านจะให้เลี้ยงชีวิตให้มันถูกคนทางไม่ให้มันเบียดเบนตน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 ธรรมาตั้งทิฏฐิความเห็นสอบธรรมมาสังกปร์ดำรีสอบเห็นสอบเห็นอะไรเห็นอริยสัจสัจธรรมสีท่ที่กล่าวมาจะคู่นี่แหะเห็นสอบธ<อ>รบ <c oughs> มรมมาทิฏฐิปัญญาเห็นสอบธรรมมาสังโปร์ดำรีชอบดำรีชอบดำรีอย่างไรดำรีจะออกจากนี้ออกจากที่ไหนดำนี้จะออกจากกามออกจากกามอยู่ที่ไหนนี่กามก็อยู่กับพวกเรานี่ยกามก็มีรูปรูปเสียงกลิ่นรส เครื่องสัมผัสนี่เรียกือท่านให้เรียก่ีว่ากรมดำนิจจ์อจกรรมสรุปแล้วก้อนสกปลกกายของพวกเราเนี่ยก้อนหมดทั้งก้อนนี่แหละก้อนกรมก้อนกามสัพยบัติที่มีเร่ร่อกรรมทั้งนั้นที่อยู่อาศัยกับกรรมทั้งมิจตากรรมกับกรมกรมกับไฟว่าเกิดตัวก็เกิดก่อเกิดตัวกอกิมีกอเกิดกอแก่กอเก็บกอตายนี่นี่พอกรรมกามไฟว่าของล้วนการมไฟว่าไฟไฟที่ไหนที่ไนไฟ ไฟไฟราคะความกำหนัดดีๆในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสเมื่อมีไฟราคะไฟโทสะมันกือบวกเข้าม า, วามมความโกรธเมื่อเมื่อความโกรธบวกเข้ามาทีไฟมโมหะมืดตื้อตื้บตนบวชเข้ามาไอ้ตัวนี้สําคัญบักมืดตื้ต น, ห า, าออานหาทางออกไม่ได้นี่แหะทุกข์หาทางออกไม่ได้นักเข้าก็เลยหาทางออกไม่ได้ลืมเนื้อลืมตัวบางคนก็ฆ่าตัวตาย ปูุคอตายยิงตัวตายยิงถ้ายิงฆ่าตัวตายยิงตัวตายถ้าเป็นขั้งแรกถ้าเป็นขั้งแรกมันจิเหลือเอกอยู่ซั่้ก้า9ิชาติเกิดมาแต่ละช า, าติจะฆ่าตัวตายไปตลอดหนักไหมบาปไหมนี่นั่นเพราะฉะนั้นถ้าพดูดเมื่อมันทุกข์มากๆท่านให้ำํำรวจเข้าไปดูตรงที่มันรู้ว่ามันทุกข์ ต้องรู้ว่ามันจิตใจมันมันจะระเบิดให้กําหนดเข้าไปเมื่อกําหนดเข้าไปดูเน่ยเอาคุณพระพุทธเจ้าเน่ยเข้าไปเอาภูโทเข้าไปไว้เขาไปไว้ที่นั่นกตำรวจเข้าไปเมื่อตำรนจเข้าไปเมื่อไม่เห็นจริงเลยถ้าไม่เห็นจริงจริงจิตมันจะวางเมื่อจิตมันวางทุกทุกก็ไม่มีอยู่ในจิตอยู่ในจิตก็ไม่มีอยู่ในจิตก็ไม่มีอ ย, อยู่ในกายก็ไม่มีสรุปแล้วก็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 ตัวอวิชชามันมัดปกปิดมันไม่ให้รู้มันเห็นเพราะดันั้นตัวอวิชชาเหมือนกับบึงหรือว่อาหนองน้าตัวอวิชชาเหมือนเหมือนกับจอกกับแม่หรือกับหรือหรืปกคลุมน้ำอยู่ไม่ให้มองเห็นหน้ำไม่เพราะฉะนั้นจะว่าไอ้ตัวนี้มันสากลมันพักด้านจิตใจครับให้พวกเราให้มาเกิดมาแกิด ม, มาตายชาด้านแล้วแต่เกิดเกิดมาในโลกอ น, นี้ถ้าย้อนย้อนหลัง ไปเป็นดัดีตนี่ชาติพอที่พวกเราเกิดนี่จิตใจแต่และดวงละดวงนี่เป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนเป็ น, ล, นล้า น, นล้านแล้วเกิดขึ้นมาในโลกดีไม่ดีดีดีไม่ดีเกิดพ่อพระพุทธเจ้าองค์แรกก็ไดรพระพุทธเจ้ามาตัดในโลกนี่ไม่นชนใช่น้อยๆอยู่ในพระสูตรสัมพุเทนสามล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองพระพุทธเจ้าหรือด้นานไม่นาน แล้วพวกเราทําไมามันมาตัวข้างอยู่อย่างนี้เพราะอะไรนะเพราะมันไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหูมีไหมได้ยินไม่เสียงท่านประกาศอารหังสัมมาสัมพุทธพระกวาพูดทางพระกบาลตังอภิวาเทมิพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระหลานเกิดแล้วในโลกไม่ได้ยินเหมือนกับหูแอบเข้าเขาเ น, นี่ตาก็เหมือนกับตาไม่ไผ่หรือตาไม่มันไม่รับมันไม่รับธรรม เพราะว่าแต่มันยังปีนเขียวแม่กระสังในในชาติปัจจุบันนี่นะมันก็ยังไม่ยอมอยู่นี่นี่มันยังมันยังวิ่งตามเขาอยู่ไม่ยอมไม่ยอมเสียสละไม่ยอมเสื่อพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าท่านให้มาปฏิบัติมาเสียสละหาหุฒิทางทิ้งกายเถอะน่ยกายไม่มีเวทนามันจะมาจากที่ไหนกายไม่มีเวทนาไม่มีกายไม่มีสัญญาไม่มีกายไม่มีสังขารไม่มีกายไม่มีวิญญาณไม่มีมีแต่ขิดล้วนมีแต่ทาล้วน ของดีที่สุดคือจิตใจอันบริสุทธิ์ปาสจากักรบนที่นี่อยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนล่ะอยู่ในดวงจิตดวงใจของพวกเรามีมีมทุกรูปทุกนามนี่มิพวกเรามีศีลมีสวมทั้งนั้นอือย่าไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเข้าสู่พระประวิณีพานแลรกมักพบมักไม่มีผลไม่มีมักก็คือศีล น, นี่ล่ะศีลสมาธิปัญญาสารมักพ้นทางเข้าไปดับทุกข์ที่นี่ที่นี่ก็ศีลอันใดที่เนี่ยศีลอันใดสมาธิอันนั้น สมาธิอันใดปัญญาอันนั้นปัญญาอันใดมีมุขอันนั้นอ่ะมีมุขก็คือความปริพลด์พไปจากที่ไหนอ่ะนั่นพ้ไปจากรูปจากเสียงจากกินจากรสจากเคียงสัมผัสพ้ไปจากรูปจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละนั่นไม่ใช่ไม่ไปพ้นอยู่ในท้องฟ้าอากาศนี่ที่พูกเราปรารถนาว่พพาพระนิพนพานพระนิพพานพระนิพพานไม่ได้ใช่อยู่ในท้องฟ้าอากาศอยู่ที่ไหนละ่ะอยู่ในดวงจิตดวงใจของพวกเรามีทุกรูปทุกนามนี่พระนิพนพาน คาที่ว่าพระคำคำที่ว่าพรนิพพานสับมาจากนิพิธาความเบื่อมันเบื่อไหมถ้าถ้าพวกเรามาปฏิบัติให้มันเห็นเห็นคุณของมันเห็นโทษของมันจิตใจมันจะเบื่อหน่าเมื่อเบื่อนายใครวางกําหนดีดีอันละกิตมันพ้นตรงนี้หลักท่านให้ชื่อว่าพระนิพพานคือจิตใจอันบริสุทธิ์นี่เพราะฉะนั้นท่านจะให้มาปฏิบัติมาทําจิตใจให้มันเป็นหนึ่งอย่าให้มันมีสอง ในสถาว่าพวกเรามาทำงาน่จะจะปฏิบัติได้ไหมบางคนก็เกีรตมันก็นกนมาอ้างบ่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาทำเวลาหายใจทำไมไมันมีนั่นมันอ้างสเสยนะมันทำได้อยู่เวลาเวลาเอาเอาตาไปไปจ้องอยู่กับโทรทัศน์ดูเขาเต้นเขายอกระแย่น่ยทำไมไมันมีเวลา เวลาจะมาดูดูเรื่องกิจเรื่องใจตัวเองทําไมมันไม่มีเวลานั่นแปลว่ามันสู้เขาไม่ได้เขาคือใครล่ะเขาก็คืออภิชาติฐานเ่ยแหละคือตัวกิเลสอันนัน่าจะอย่างจะไปเข้าใจว่ากิเลสอยู่อยู่ในท้องฟ้ า, า, ก, ากันกิเลสกัจิตใจตัวเดียงที่มันลุ่มหลงนี่อะไรอย่าเงี้ยจรุ้แล้วมันหลงอะไรที่นี่มันหลงตนนี่ละก่อนเมื่อมาหลงตนมันไม่เห็นตนมันก็เลยไปยึดของภายนอกเป็นตัวเป็นต้นของภายนอกกับอธิกรรมมังมุกี้เนี่ยแหละ คือท่าทั้งสี่นี่สรุปแล้วสุดท่าก็เลยจิตใจก็เลยไปเป็นดินไม่รู้เนื้อรู้ตัวจิตจิตใจไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่ไม่ไปห่วงยึดนี่เวลามาแตกต่ายทำลายกันนี่อู้ว์เสียดายกลัวมันจะไม่ได้มาทุกข์อีกมาเกลีอีกหัวมันจะไม่ได้ร้องไห้อีกหัวนี่โอ้หัวมันจะนั้นมันดีใจเสียใจอีกต่อไปเพราะฉะนั้นล่ะให้ทําความเข้าใจอยู่ที่นี่ของดีที่สุดคือจิตใจของพู้เรานี่ ให้เมตตาตนของตนให้มันมากๆอย่าไปดูถูกดูหมิ่นตนเองว่าเราหนี่บุญน้อยวาสนาหน่อยวาสนาเคือการกระทํามันมีทําให้มีมได้มันมีน้อยทําให้มันมากได้จนให้มันจเจริญเติบโตเมื่อกล้เราปลูกผ ล, มลกไม้รากไม่สมมติว่ต้นข้าวแรกๆก็บข้าวมเมล็ดเดียวไปวางที่พื้นดินเมื่อมาเกิดขึ้นมเแล้วก็อาเต้นเล็กๆ มันเลริเติบตโตขึ้นจนมันออกลวงขึ้นมานี่คือเหมือนกันแหะทําให้ไม่มากต้องได้รับผลแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยถ้าผู้ใดปฏิบัติมาทําผิตใจน่ะให้มัศงบเข้าไปถึงพบภูมิของจิตจริงๆอันนั้นแะตรงนี้แหละมติตัดชินใจเอาเองว่าร่างกายนี่กับจิตใจนี่มันจะแยกกันทันทีไม่มีใครบอกมัจจุรุเองเห็นเดียงปัิจตังกายนี่จะเป็นสภาวะอหนึ่งจิตใจจะเป็นสภาวะอหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันแล้ว ถ้าบู้ใดเชื่อมัน่นนนอย่างนี้ท่า น, นว่าแล้วก็ไม่เห็นตนนี่ตนหมายถึงจิต ด, ดวงจิตดวงใจไม่เห็นตนเป็นเป็นกายไม่เห็นกายเป็นตนไม่เห็นตนมีในกายไม่เห็นกายมีในตนนี่ถ้าผู้ใดเห็นสัดลงไปเห็นเห็นชัดเจนลงไปจริงจริงนี้ท่านเห็นว่าผ่านตัวส ก, กายทิฏฐินี่ เมื่อผ่านตัวกายรัษาชะกายยะทีทเข้าไปแล้วที่หนึ่งปีจีกสาความสงสัยลังเลกก็ไม่มีศีรับพัตตพรมารักษาศีลที่เป็นวันปีหนึ่งก็ไม่มีนี่ไม่สงสัยในศีลศีลคืออะไรก็ไม่สงสัยอีกนั่นศีลอยู่ศีลคืออะไรธรรมคืออะไรก็ไม่สงสัยอีกต้นคืออะไรไม่ก็นี่ถ้ามันแน่นอนได้หลือนนี้ท่านว่า ถ้ามันยังไม่ผ่านพ้นย้อนกับมะเกิดอีกก็เพียงเจ็ดชาติเจ็ดชาติเจ็ดปีเจดเดือนเจ็ดวันแล้วแต่นิสัยแต่ละลายหลายๆของใครของเราถ้าเจ็ดชาติถ้าชาติละร้อยปีกับเจ็ดร้อยปีมีความมีความหวังมีความหมายไม่ไปไปอื่นแล้วก็ไม่ไปนับถือลัทธิอื่นศาสนาอื่นไม่ไป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 เรื่องเขาแม่งมัดสอนให้ให้ให้ลูกกับพ่อนี่<ม>กับแม่แยกกันพอแก่มาแล้วก็ลูกสมัยใหม่ทิ้งทิ้งพ่อทิ้งแม่นั่นทำไปทิ้งพ่อทิ้งแม่ก็แปลว่ามันมันปีนเกียวมันหลบหลูลลคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะัน ม, มันจะสอนกันบายหน้าลูกมันจะมันจะพากันลงไปเกิดในเมืองนรกพวกนี้มันจิตใจจิตใจมันเป็นเพศเป็นผีเห็นไหมว่าหนึ่งอะคิด ยองคําว่าเล่าให้ฟังว่าเอาแม่หรือพ่อนี่แหละอไปฝากโรงพยาบาล ใ, ใ, ให้หมอเขารักษาเมื่อรักษาโรคหาแล้วเขาเอาไปส่งเอาเอาไปเกื่นให้ลูกลูกเขาไม่ลูกไม่รับเขาว่าไม่เขามีปัญญาจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นนี่แปลว่ามันลืมพ่อลืมแม่แล้ะนี่แปลว่ามันสร้างสร้างกรรมเมื่อตัวเองแก่ลูกกระต จะปล่อยแคตัวเองทิ้งไปต่อเ น, นี่กรรมมันจะต่อกันไปเพราะนี่กรรมกรรมของบิดามันานี่ยหนักนะใ ห, ใ, ห ใ, หให้พวกเราให้ท่งคงพระเจ้าให้สัง่งระวังความจริงหรอกให้ตนเลียงตายตายตา ย, ตายแทนบิดามารดาเสียสละแทนเลยนี่ตั้งแต่บิดาม า, นานรดาเลี้ยงเรามาเขาเสียสละตั้งแต่พวนตั้งแต่พวกเราอยู่ยในคันเขาเสียสละ แม่ก็ทั้างอาหารการบริโภคอาหารบางสิ่งบางอย่างเขางดเขาเว้นก็รักษาควัววัวโูคจะในท้องจะมีอันเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นคุณของบิดามารดาน่ที่มากที่สุดท่านเพราะฉะนั้นผูใ้ใดเป็นล่วงเกินจะมาเป็นบาปหนักบาปหนักกรรมหนักท่านจึงจัดเป็นอนันต์ตะลิยกรรมอนันตริยกรรมห้าหนึ่งค่าบิดาหนึ่งค่ามารดาหนึ่งค่าพระอาหารหนึ่งทำไรพระพุทธเจ้ายัง พระโลหติตให้ห่อขึ้นไปหนึ่งแล้วก็สังกเพศยังสงให้แตกกันหนึ่งี่เกรรมกรรมห้าอย่างนี่ว่ามามันเป็นอะนันตียกรรมกรรมหนักถ้าผู้ไรไปล่วงเกินลงไปเลยเหมือนกับคนคอขาดเหมือนกับคนตายแล้วตายจากอะไรตายจากคุณงามความดีจะมาสร้างเอามตะผลไม่ได้นี่เนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อลู้เนื่อรู้ตัวสังวรระวัง รักษาแล้วก็สั่งสอนแนะนําสั่งสอนลูกๆและหลานผู้เราแนะนําให้เขารู้จกัจกศิลจักธรรมให้รู้จักศาสนาอย่าให้มันมีตั้งแต่ว่าสันสัตยเสื้อสันตยไทยสันสาตยไทยนับถือศาสนาพูดมิจตตัวหนังสือไม่ทราบว่าพุทธศาสนามันอยู่ตรงไหนนั่นมันไม่รู้เรื่องรู้เราเพราะนั่นให้สอนกันอนันนี้นาสอนกันเมื่อแล้วนั่นละเมื่อเข้าใจะละกันภาการประพฤติปฏิบัติของใครของเรา มท่านจะว่าชุกพลาสิีลธรรมะอยากอยากพ้นทุกอยากพ้นทุกให้บางสุขในโลกพังหนอยากพ้นทุกให้บางสุขในโลกอยากพ้นโศกให้บางสุขในรักสุขทุกนี้ของมีประจำโลกมนุษย์เศร้าโศกก็พ่อสุขทุกทั้งสองเมื่อละสุขละทุกได้เหมือนใจปองไม่สมองคุนมัวชั่วนิรันนั่นเห็นไหม ไม่มีอะไรมิจตสุกร่วนๆอยู่ที่จิต ท, ที่ใจน่อยนั่นหละจะมองข้ามตัวเองนับบแหละเอวังก็มีด้วยปากการัษนี